ฟังทำกันเนาะพอมัหรือยังพ้อมจะฟังไหมฮ่า่าังตาก็พ่อมแล้วนะถ้าพอมแล้วก็ตั้งใจฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดเรา มาดูที่ให้เห็นที่ดูเมื่อชี้พระเจ้าชี้ให้เราเห็นแล้วเห็นหรื อ, อยังดูหรื อ, อยังสังขารคือร่างกายจิตใจแต่โลกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเห็นไหมหรือว่ายังเอาความไม่เที่ยงว่าเป็นตัวเป็นตอนอยู่ นานเท่าไหาย่ก็ไม่เที่ยงอยู่ในเรานึกว่าเป็นตัวเราโดยเจ้าตะโกนแรงๆถ้าจะพูดเป็นลักษณะของขี้มือขี้ทางให้เห็นอยู่จับตาไปดูอยู่เราก็ยังไม่ดูยังไม่เห็นมี ตาก็หลับเอาไว้ีหูก็ปิดเอาไว้ไม่ยอมฟังเสียงผู้อื่นที่บอกนั่นแหละคนหูหนวกไม่ยอมดูคนในสิ่งที่อื่นที่ชี่ให้ดูนั่นแหละคนตาบอดเราจึงมาดูมาเห็นถ้าเห็นแล้วตอบตัวเอง ถ้าเห็นแล้วเต้องถามอันที่ให้เห็นเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็ใครก็ตอบได้นี่คืองูนี่คือปลาปลาไม่ใช่งูงูก็ไม่ใช่ปลามันบอกอยู่เจ้าที่เราเดินทางนี่คือทางนั่นคือปา่า แต่เทาเหยียบทางก็เหยียบปากไปต่างกันระหว่างความหลงกับความรู้มันต่างกันอยู่หัดเดินหัดตูให้มันเป็นของตัวเองเอาใช้ใครไม่ได้จึงใดไม่เที่ยงสิ่นั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนนะไม่กวรยึดว่าตัวว่าตน ของเราต้องหมดต้องสิ้นยังจะดื้อยอยู่หรือเปล่าตัวความไม่เที่ยงลองห่มลองให้เสียใจเพราะความไม่เที่ยงดือ้อคนดือ้อไม่ได้ได้รละได้อะไรล่ ะ, ะ, ละนายความดื้อเช่นนั้นหรือด้านไปแล้วดื้อยังให้ฟ <c> อ <oughs> มันจะจัดด้านไปอีก ด้านเอาไม่ได้แล้วตายทิ้งไ ป, ปบอกเราเราจึงต้องมาให้เป็นโสว จ, จัตตาเป็นพั่วนอนสอนง่ายเชื่อบ้างดูบ้างม่หูฟังไม่ว่าง ในตาก็ดูว่าจะได้เห็นทัสศนุตาลิยะเห็นปฏิปทาหนุตาลิยะแล้วก็ดำเนินอย่างไรเมื่อเห็นแล้วเห็นงูจะเข้าไปงูกัดหรอมีปฏิปทาอย่างไรไเห็นน้ําจะไปเหยียบน้ำหรือเห็นเหวจะไปโดดลงเหวหรือ เรียว่าปฏิปทาออกปลยโลภปลยปีโมตานุตรตียพ้นแล้วพ้นแล้วไม่ตกเขวไม่เหยียบน้ำไม่ให้เข้างูไม่เข้าไปให้งู ก, กัดพ้นแล้วนี่คือลักษณะของผู้ดูผู้เห็น ต้องขนันต้องหลายเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเจอเจ็บตายไปเราตายเพราะความโกรธเท่าไหร่แล้วสีพวกผีชาติเคยโกรธไหมให้เพื่อนเคยโกรธหมอเสียเปรียบความโกรธมันใช่ตัวใช่ตนหรือเปล่าเสียใจไหม โกรธไอพ่อพ่อหาพ่อหาก็ตายไปแล้วเสียดายอ่ะเสียดายที่มันผิดพลาดไปก็จะลูกชึกตัวก็นอนนึกเกินโกรธไอลูกตีลูกเดี๋ยวนี้ความโกรธอยู่ที่ไหนมันไม่มีไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยจะเสียเปียบมัน นั่นแหคือตัวสังขารอันฉุกก็เป็นสังขารอันทุกก็เป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวใช่ตนดอกเราเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่สังขารคือมันนั่งอยู่นี่คือกายกายมันเที่ยงไหมนั่งพับเพียบอย่างนี้ได้แชั่วโมงได้ไหมมันก็ไม่ได้มันไม่เที่ยงสังขารตัวนี้คือกายเนี่ย บางทีก็เห็นอยู่ต้องกำหนดรู้อยาวกว่ามไม่เชื่องว่าเป็นตัวเป็นตนให้รู้รู้แล้วก็วันเทาวันเทาซะอันที่เป็นสังขารที่เป็นส่วนที่กำหนดรู้ส่วนที่บันเทาก็ใช่ให้ถูกต้อง จะไปเอาจริงเอาจังจนนั่งแทบตัวเองแปดชั่วโมงเ้าชั่วโมงพระกรรมฐานโยมกรรมฐานจะเสียสุขลักษณะไม่รู้จักกําหนดรู้ไม่รู้จักปันเท่าไปรู้ไปคำเสียเอาจริงกับความไม่จริงเป็นหนองาพา <c oughs> ดนี่ว่าเขา ตรงไปหวานสงอรู้ว่าโลกของพระหนึ่งโลกกับพราะอาหารสองโลกไขมันสามโลกอะไรหลายอย่างโลกของพระอาหารกับกินสนุกกินสนุกนอนกินแล้วนอนโวนทวนเหมือนหมู อ่นนี้โลกของพระโลกกับพออาหารก็โลกของพระไม่มีอะไรกินน่ะน้ำก็มีกินลงไปเวลาหิวน่ะกินน้ำลงไปคเคยหิวข้าวมาได้กินข้าวสองวันกินแต่น้ำมันก็ดีอย่าปล่อยวันหิวจน ไหมแห้งจนไหมแล้วก็เป็นแผลเป็นโรคกรพอได้พอาน้ำหลงาปสังขารบางอย่างกำหนดรู้้วยการลูกำหนดรู้การบันเทาสังขารบางอย่างกำหนดรู้้วยการละไปบันเทาไม่ได้เหินความโกรธมันเป็นสังขารกิเลสตัณหาเป็นสังขารอยดีด มันไปแล้วปุงไปแล้วนั่งหยดุดปุงเข้าไปในบ้านแล้วเห็นน้ำเบิกก็เอาปุงไปแล้วหลา อ, อย่างมันล ะ, ละทันทีเปลี่ยนทันทีเป็นวิสังขารมันปุงไม่ปุงมันหลงไม่หลงเห็นไหมเห็นมันหลงไหมเห็นมันรู้ไหม อันรู้เป็นยังไงวิสังขารเวแล้วมันหลงเป็นยังไงนั่นแหละเป็นสังขารมันไปนคนละทางสังขาร่าให้ไปเป็นพกเป็นชาติอยโยพบหลายชาติวิสังขารจุดไม่ไปเป็นอะไรเป็นอความมั่นคงไม่หวนไหว วิสังขารมันอยู่กับสังขารสังขารนา่ก็มีวิสังขารถ้าไม่มีเป็นคู่กันมันไม่ใช่หมี เ, เกิดต้องมีไม่เกิดมีเจต้องมีไม่เจอะมเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายมีทางประยู่นี่พระเจ้าบอกว่อนจริใดไม่เที่ยงจินนั่นไม่ใช่ตัวตนจริงใดเป็นทุกข์จริยนั้นไม่ใช่ตัวตน ยาประมาทในจริงเหล่านี้เปลี่ยนมันดูเปลี่ยนมันดูเปลี่ยนมันดู เ, นนดเหมือนสมัยเป็นเด็กน้อยแม่ไปซ่อนได้เตา่าเอามาให้ลูกเดินเวลามันเตา่าเวลาเต่ามันเดินหนีต้องหายมันขึ้นพลิกมันขึ้นแน่อยจะเอาให้ลูกอยู่กับเตา่า พิกเต่าขึ้นให้หงายท้องขึ้นมันก็เดินไม่ได้ถ้าอยากให้มันเดินพ่วลงเดินไปบากดิเต่าไม่เดินแม่ก็บอกว่าเตายังเอาไฟจุดกล่นเต่าปมนอหกเลยแทแม่บเคยว่าหมเต่าไม่เดินเต่าไม่ยังเอาไฟจุดกลิ่นเต่าประมุนเอหกเลยแท เอาเอาไม้เอาไมโจดก้อนมันแย่ก้อมันก็เดินนี่คือมันไม่อยู่ไม่หยุดมีเดินในตัวเราก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เป็นโอคะขึ้นฝั่งซะฝั่งนั่นคืออะไรจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำสุกสุทุกๆุกมันเป็นโอคะจะร่องรอยอยู่แถวเนี้ จู่ๆๆเกิดจากอะไรมันเจอเคยจากความหลงความหลงนี่แหละพาให้เราอยู่ในห้องน้ำตัวลูกขึ้นฝั่งขับขึ้นฝั่งมันก็พร้อมอยู่แล้วชีวิตเรากิจเป็นนายกายเป็นเรื่องเ ต, ตีเป็นดังเสือปัญญาเป็นผู้พาย ขับเคลื่อนเคลื่อนฝั่งขนส่งเค้ื่อนฝั่งกายมันก็ไม่อยู่ยิดมันก็ไม่อยู่สติก็ไม่อยู่ดัดไปเป็นกรามตันขับทั้งคันเลยสติเป็นหนังเสือปัญญาหายไปไมีมาเพิ่มอส า, าธรรมมลว่าสินงสมาธิปัญญา อะไรเป็นชินอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญารู้ไหมอะไรเป็นอันก่อนอะไรเป็นอันกลางอะไรเป็นที่หลังถ้าไม่กับหัวกํหางมันจะไม่รู้นะบางทีก็ไปเอาชินลูปขรั้งชินจนปเปื่อนไปหมดเลยเอาเช็ดเอาจริงกับชินเป็นครูอาจารย์คนนั่งหัวคน เอามาอวดเอาฉินมาอวดฉินลับช่างต้องไปร้องตาไปดูพระกรรมฐานที่มาเลเซียแต่มา น, นั้นไปอยู่สิงคโปร์ก็นักปฏิบัติพามาดู <c oughs> กับรถจากสิงคโปร์มาเวาลีเซียม <c oughs> มีบ้านสองหลังอยู่ในป่า หลังหนึ่งเป็นลูกศิษย์อยู่หลังหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่ขึ้นไปหาอาจารย์ข้าจงขึ้นขาขึ้นไปหาอาจารย์แล้วไปเคาะประตูเรียกแล้วก็มานั่งรออยู่แล้วก็ ค, อคอ่อยๆเปิดประตูออกมา หลับตาลีง้อ ย, ย่องมาไม่กี่ว่าพูดถึงเราคนนอนก็ค่อยย่องมาก็ค่อยไม่ค่อยนั่งลงค่อยเลือนตาลีลีพูจะพูดได้ก็ น, น, อ, น, นอนยะังนหเลยนักปฏิบัติถ้า ถ้าอย่างนั้นจะอยู่จะกินได้ไงจะวิ่งหนีจากรถได้ไงถ้ารถมันวิ่งมาจะหนีงูไหถ้างูจงอางมันไล่จะวิ่งได้ไหมหรือจะเดินฉ่ำฉั้นก็ไม่หลอดหอโอ้ยลูกคำเกินไปเราจะถามจริงได้ก็ <c oughs> นานค่อค่อยอ่า ย่อมไม่ใช่อย่างนั้นลูกขมอะไรมาก่อนจักแกงทำสามอยา่างแี่คือสินสมาธิปัญญามันต้องปัญญามาก่อนกับหมอชั่งหน่อยเอามาปฏิบัตินะเรืสินอ่านี้อะไรจะเกิดเป็นสินไดไต้องมีสติปัญญาจึงรักษาสินได้ปัญญาต้องมาก่อนกับสติ หาดกันไม่ได้นะเช่ น, นสมมาธิทฐิลุ่ง อ, อลุณเห็นแล้วว่าเมื่อมีสมมาธิทฐิก็มีสัมมาอะไรต่อไปสัมมาเคลม่อมนดัหลีชอบธรรมชอบปูดชอบคิดชอบ เมื่อมีความเห็นเมื่อมีทิฏฐิความเห็นแล้วเมื่อมีความพูดเฉยชอบคิดชอบดำดีชอบก็เกิดเป็นสินึ้นมาวาจาชอบนั่นแหะศินน่ะวาจาชอบการงานชอบเรื่องชีวิตชอบนั่นแหละเป็นศินแล้วการตั้งใจมันชอบ กันหาเพียนชอบ <c oughs> นั่นคือสมาธิแล้วมันต้องมีปัญญาสินสมาธิได้จะไม่เรียกอะไรคือสติอันเดียวไปก็ได้แต่รู้สึกตัวนี่ก็ไปรอดแล้วนม่ก็มีสินแล้วยึงพูดอยู่เสมอ ว, ว่ามีสติ มันก็ละความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์นี่คือศีลคือสมาธิปัญญามาเป็นพวงไม่ต้องไปลำดับไม่มันยุ่งยากจะเอานั่งก่อนรูปคำว่าดีสมาธิเป็นนั่งรับตาไม่ใช่ สมาธิคือไม่ต้องนั่งก็ได้วิ่งก็ได้มั่นใจทำอะไรมันแน่นหนากวดบ้านคนมีสมาธิสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยกวดบ้านสอาดมันลำดับไปตอนเช้ากวดออกตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดออกดูกทิศทางของหลงบางคนกวดบ้านไม่เป็น กวดฝุนตลกเดี๋ยวก็ฝุ่นก็ตกลงหมังนเก่าไม่รู้จักทิศทากวดเบาๆบมืออ่อนนใส่ใจลงไปสมาธิลงไปดำดับลงไปเหมือนกับเมเห็นเห็นเม็ดเห็นเม็ดฝุ่นทุกเม็ดเปิดไปกวดออกตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดออกบบราณท่านสอน มายถึงลงทิศทางของลมอะไรที่มันก็ขึ้นไม่เห็นก็โวรานไม่มีไฟฟ้ามีบ้านถ้าไปกวดเลยตรงที่พ่อแม่นั่งอยู่แม่อาจจะเก็บผ้าตรงนี้แม่อาจจะมีของกระดุมโหลตรงนี้ขวดเข้าไปก่อนไปกองไว้ก่อนถ้ายังไม่เห็นตอนเช้าจึงโขดออกดูเสียก่อนถ้ามันสว่างมา ไอ้อแม่นั่งอยู่เนี่ยแม่เย็บถ้า อ, อาจจะมีเข็มอาจจะมีกระดุมโลนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีก็คอยตอนเช่าคอยกวดด อ, อกแ น, น่นไหมแ ม, มนเบลแมนเพียนเคยเคยเคยได้ยินแม่สอนเ<ย>พราะว่าแม่สอนตอนเย็นกวดเข้าตอนเช้ากวดด อ, อกกูเจ้าก็สอนเรื่องกวดบ้านให้พระกวดให้เป็นอย่าให้มันคลุ้ง อยาให้ฝุ่นมันค้งลําดับไปมีสมาธิมีทั้งศีลมีทั้งปัญญาไปเพิ่มกันขวดบ้านตําน้ําพริกกล้างทวยล้างชามศีลไปอยู่กับเครื่องใช้ไหมสอยเป็นระเบียบลงครัวลงอาหารเป็นระเบียบพริกเขือนกับปลาล่าเป็นระเบียบแช่ข้าวเป็นระเบียบเอาน้ําแช่ข้าวมีศีลมีสมาธิปัญญา แก่ข้าเป็นไหมฮะแก่ข้าไงมันนึ่งมันอ่อนดีทําไมฮะบางคนแก่ข้ามาเป็นมานึง่งก็ไม่ไม่แฉบไม่อ่อนไม่นมุ่มนะเวลาถ้าเอาน้ําใส่เอาหม้อข้าวเอาข้าวใส่เอาน้ําเทลงเอาเนื้หอหย่อนลงไปจ้า ด้านน้ำจุนิ้วมือข้างบนแต่นิ้วมือตรงนี้ไปจุเข้าใช่ได้ด ข, ด ข, ข้าวจะขึ้นน้ำจะขึ้นข้าวจะขึ้นน้ำสวดขึ้นมาถ้าน้ำใส่มากเกินไปข้าวมันมอดไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้ำนึ่งก็ไม่แสบแมนบอ yeah, <man. S 1> อ่าโวต่โวยฮอ่า<ะ>เ <Yeah, man. S 1> ป็นอย่างนั้นนี <Yeah. S 1> ่คือมีแปรมีอะไรมีแบบฉบับ ในกายในใจเราวนี่มีแบบยดแค บ, บถ้าไม่หัดก็ก็จ่ยกระ่ายนายก็ยังหนังใจก็ยังหนังไปคนอาจิศละทางนั้นจะปูเจะกระดองถ้าหัดก็ปั๊บทันทีแล้วจึงฝึกตนสอนตนนะนายก็จิดเป็นนายเนี่ยก็ให้ความสำคัญ กายเป็นเบาเป็ความสำคัญระหว่างเบากับนายเนี่ยทะเลาะกันใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่น้าเบียดเบียนกับแบบนี้ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ระหว่างกายกับใจสติต้องเป็นผู้กำกับเราจึงมหัศกันเน่ยต้องกำกับ ถ้าไม่หัดมันไม่เป็นนะกว่ามันจะเป็นมันก็ผิดพลาดไปแล้วเก่นพระเจ้าชาติศัตรูเชื่อเวทวะชัดหลอกให้ค่าพ่อพ่อตายแล้วจะงคล้ายลูกุตัวผิดแล้วจึงลูเห็นแล้วจึงทำแล้วจึงลูมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เราจึงมาอดูมันตั้งแต่ต้นทางต้ทนทางมันคือหลงคือรู้ความหลงไปทางไหนความรู้ไปทางนไหนในแหละทางที่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไปท่องหนังสือเกิดจากกายเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยแต่พบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการพบเห็นกับการคิดเห็นคนละอย่าง ที่เทียนมาอยู่โน่นสิปีก่อนยังคิดเทียนนะแต่พวกเป็นคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ทำได้มันหลงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เดี๋ยวนี้มันทุกข์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เดี๋ยวนี้มันโกรธเดี๋ยวนี้เปลี่ยนโกรธเป็นรู้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันเกิดที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ ชีวิตของเราหนระว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแค่นี้มันจะยากอะไรมันก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่เรานี้มันหลงเกิดโผล่ขึ้นมาโง่มันไม่ได้ลับรีอะไรความโกรธความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเห็นมันอยู่เนะียเปลี่ยนมันจะไม่เห็นะไรมีสิตทธิมันโกรธเปลี่ยนไม่ มันโกรธไม่ชิทธิไม่โกรธเปลี่ยนลองดูให้มีความเปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยนะเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเรียกว่าปฏิบัติธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ไม่ใช่อยู่วัดจุกุโตปฏิบัติธรรมมันก็อยู่กับเราั มันหลงที่ไหนให้รู้ที่นั่นนี่มันสิ่งที่ํำได้หลงตอนไหนรู้ตรนนั้นทุกตอนไหนรู้ตอนนั้นผิดตรงไหนรู้ตรงนั้นมันพอมอยู่นี่ชีวิตเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตวประเสริฐเนี่ย <c oughs> ต้องฝึกตนถนต น, ตน ดีมันจะรู้ต่อที่มันหลงความหลงทำไม่เกิดความรู้ได้ขอบคุณความหลงอย่าเกาหัวอย่าเอาผิดเอาถูกจนตัวเองสลอมไปในความผิดความถูกถ้าถูกก็ดีใจถ้าผิดก็เสียใจไม่ใช่แบบนั้นลักษณะความรู้จักตัวจะสม่ำเสมอ ถูกก็เห็นผิดก็เห็นไม่หวั่นไหวมันเป็นการขับเคลื่อนอันใหญ่ความรู้จึกตัวเน่ได้เป็นเลือก็เหลือขับเคลื่อนน้าใหญ่ชูขึ้นได้กวมรู้จึกตัวเน่เป็นเลือขับขึ้นได้ไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเหมือนกับอากาศจเจ้าเลือ เราเล็กต้องก็หวังง่ามออกทะเลเอื่อยใหญ่ไม่เป็นไรมหาจิตมันใหญ่ก็ว่ามหาคือยิ่งใหญ่ไม่กระทบกระเทือนเราต้องสร้างให้มีให้มากก็มีมันก็มีได้มันก็มากได้คำวมาฐานวิชากัวันฐานไม่ต้องหานาที่ได เอาจากมันเลยเนื้อมันในมันกายมันหลงกายเอากายอะไรเป็นตัวรู้มันหลงที่ใจเอาใจนั่นแหละเป็นตัวรู้เนื้อมันในมันถ้าอะไรที่มันเป็นปรมาตถสภาวะธรรมมันต้องอยู่ด้วยกันไม่เด็ดไปหาไม่อยู่ด้วยกันของที่ไปอยู่ด้วยกันใช่ได้ใช่ง่าย เหมือนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ของเราอยู่อยู่ตรงที่ตรงทางจะหยิบมาใช้ไปเอาตรงนั้นให้เป็นระเบียบเก็บไปเป็นเบียบหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็ง า, ามตาสิ่งของบ้านเรือนที่เครื่องใช้ไม่จอยอะไรวางต้นไหนอยู่ต้นไหนถ้ามันมาอยู่เป็นที่บรนดาไล่มันเข้าไป ตรวจน้ำเช่าน้ำเห็นเราบิ้งเข้าที่เลยหน้าคนนี้มีศีลอะ่ะถ้าคนไม่มีศีลก็ปล่อยอยู่ตรงนั้นนี่ว่าศีลมันเรียบร้อยศีล น, นี่เป็นเรียบร้อยที่ทุกอย่างเลยกายใจก็เรียบร้อยาร่างกายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีล นั่ไม่ใช่ร่งกายน้งใจเนี่ยถ้ากายใจเรียบร้อยอะไรก็เรียบร้อยหมดเลยนี่มันประเจอจากแนวพระหลวงพลังทํามาายก็เรียบร้อยของเช่นหองหว่าอยู่เป็นที่เป็นทางเลาจะนอนก็นอนเวลาจะกินก็กินเวลาทำงานก็ทํางานการทํางานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา ไม่สิ้นเปลืองพลังงานาะไม่เอาอะไรเดินก็เดินถ้าบางคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรก็สิ้นเปลืองไปหมดอะไรก็ยากเอายากเอาง่ายเอาสูกอาทุกข์ทุกทุกข์่ามันไม่ใช่นักธรรมา น, นักปฏิบัติไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจ แล้วคนขยันถ้าหลงตาเคยไปด่านอ้องสูงทำไมจึงจนทำไมจึงไม่มีฮี ก, ก็ไม่มีเกลือไม่มีทำไมไม่ผูกทำไมไม่ทำอยู่ทำกินน้าก็ดีทำไมไม่ทำกินน้าก็จะเปิดเอาอะไรก็ได้ ลิ้นก็ดีทำไมไม่อดมาอยากอยู่เนยเวลากินข้าวไม่มีพักมันคี้เกียจขี้ขลาดต้องอยู่ต้องกินอนะ่ะเด๋ยวนี้ชีวิตของเราไปห้อยไปเขือนไปใช้มือนิ้วเดียวอดชีวิตของข้าวตักน้มก็นิ้วเดียวอ่อนเดรยไปหมดเลย นี่คนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดคนขี้แพ้ป่าราชัยพ่ายแพ้ทุกอย่างความหลงก็พ่ายแพ้ความโกรธก็พ่ายแพ้ความทุกข์ก็พ่ายแพ้เรียกว่าป่าราชัยป่าราชัยนี่ป่ารายชิกนะเป็นอนันต์ลี้กรรมหนักไม่บรรลุธรรมกับขอดอกนี่คนขี้แพ้ปาราชัยมันหลงก็แพ้แล้ว ค่อยตามความหลงวันสุกมันทุกข์ก็แพ้แล้วค่อยตามความสุกขความทุกข์ไปมันโกรธมันเกองมันหมกมุ่นคุน ค, คิดหลังลังเลสสงสัยพ่ายแพ้เอาหอบพิโรภัยก็ตกต่ำไปเรื่อยๆต่ำที่สุดระบายยาคูมไม่เจริญตกอมาแล้วก็เช็ดแล้ววันระบายอยู่ที่ไหน เป็นภูมิไม่เจริญในชาติไม่หมดแล้วทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายแล้วนี่เราต้องฝึกตนสอนตนจะมาเสียชาติอยู่มาเท่าหวาแก่อ ย, อยู่เล่ น, เ ล, นเล่นไม่ได้มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจุ่ยเล่ น, ล น, ลนไม่ได้ตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มศึกษาวแต่แต่หนุ่มน้อยๆไม่กี้ละหนุ่ม ไม่คิดสาวไม่คิดปานกลางไม่คิดแฉ่พระหนุ่มพระปานกลางพระแฉ่เท่าเทียมกันการศึกษาเรื่งนี้อย่าเอามาอ้างกันนะอย่าเอามาอ้างกันเรารู้ทึกตัวไ ม, มมไม่มีในคนหนุ่มว่ามีในคนแก่ไม่มีเลยเพศใดลัทธิใดศาสนาใดอยู่กับทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่าเทียมกันหมดอันเดียวกันหมด ความหลงก่อนเดียวกันความรู้ก่อนเดียวกันความโกรกอนเดียวกันสุขทุกข์อันเดียวกันร้อนห น, น, น, น, น, นาวอันเดียวกันเจ็บไข้เดืป่วยอันเดียวกันเกิดเจ็บเจ็ตายอันเดียวกันนี่สิทธิของเราวันโกรธมีสิทธิไม่โกรธใช้สิทธิลงไปมันทุกข์มีสิทธิไม่ทุกข์ใช้สิทธิลงไป ไม่ต้องไปขอใครขออญาตไม่โกรธได้ไหมไม่ต้องมันทุกขออนญาตไม่ทุกได้ไหมไม่ต้องไปขออนุญาตนะลองจ่าประกาศว่าป่าถูกตดูดไม่มาที่นี่ไม่ต้องของอนญาตจากใครปาได้เลยใช่ไหมไม่ชีดน้อยหรือจะของไม่คิขอใครประกาศเดเราประกาศเป็นอิสระภาพของ ถ้าจะไปสุกโตไม่ต้องขอาติาขคยประกาศกล้องไปเลยนะใหไ้ไปได้เลยไปได้เลยนะมีโอกาสอยู่ได้รอดเพอร์เซนถ้ามันไม่เต็มถ้ามันเต็มแล้วก็ถ้าพยายามได้หน่อยก็อยู่ได้อนตาปไปอยู่พุทธญาณสมัยเป็นโยมไป ในช่วงเข้าวัานจาใกล้เข้าวันจายแต่กับหลงข้อเทียนไม่มีที่อยู่แล้วเต็มหมดแล้วทำไงล่ะฮะกลับถือเป๋ากลับบ้านเลยฮะสู้สักหน่อยฮะเฮ้เราก็ตั้งใจมาแล้วเนาะทำไงมีปัญญาบ้างไหม เจ้าของที่เจ้าของถิ่นนะว่าไม่ไมีที่อยู่แล้วก็บอกว่าจะคงไม่เหลือไว้ใส่เลย ไ, ไปชวนเพื่อนพระที่รู้จักกันอาไปขอเตียงบ้านปา่าคูวัดบ้านป่ากูก็ได้เตียงมาเก่าๆอันนั้ง เอาล่อเขียนน้มไปใส่มาก็าไปตั้งไว้ในป่าแล้วไปซื้อพลาสติกผ้พาพลาสติกมาทำหลังขาไปขอทีวงกอดขาดของพระมามาทำฝาก็อยู่ได้เน้วได้ไหมทำมาแล้วทำไมจะไม่ได้ หลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้ไหมหนีออกไปไหนไปไม่ไหวอ๋อเสนอเสริญเราด้วยโอ้เออดีดีดีาทีหลวงพ่อเตียงก็ไปตามทางเดินตะกอมให้เอามันตรงนี้กวดขวดก็อยู่ได้จนว่ามานอยู่ในเตียง ออกไปคนเราหลวงพ่อเทียนมาบอกไปอยู่กะทีนะขึ้นไว้กะทีโอ้แล้วก็ยังสรรเสิญเราอยู่เอ้แล้วมันมันบ้าเลยอะไรดืด้อไหมไม่ใช่ดือ้อจ้าปฏิบัติ์ตอนนี้หลวงตาไปกราบขอพูดเจ้าหน่อยนะไอพูดไหม <laughs> ไปสวนโมกเปียรอยสิบสองได้อาปอาจารย์พคทาาอาจารย์พคทาาว่ามาจากไหนสามาจากไหนมาจากใช่พุ่มเนี่ยพูพดอะไรข้างหลอกอือพระใจบ่มมาทำลายที่นี่โลบมาลายหมดเลยตกใจเอา้าเอาละ เนี่ยเราก็คนใช้ภูมิพูดไปแล้วหัวหมอคือคือคือคือนี่พระหลงตาองค์มาขออยู่ก็ไม่มีให้ที่ให้อยู่เขาก็ตั้งใจจะมาแล้วก็ขออยู่เขาก็ปักกฏอยู่ในป่าในที่พออยู่ได้ แล้วก็ในระเบียบสวนโมกข์จะรับตั้งแต่พระมหาปโหรียนสมัยต้นๆถ้าไม่มีปโหรียนไม่รับเหมือนวัดบางวัดจำนักบางจำนักนับตั้งแต่เม <c oughs> ื่อทำเช่นโถ่ถ้าเป็นพระไม่ได้ทำเช่นโทไม่รับไม่ต้องปกครองใครพระขี้เกียจไม่อยากปกครองใคร รับตั้งแต่นัดทำเช่นโทอาจารย์พระธาตุรับตั้งแต่ป ร, รียนทำป ร, รียนสามประโยค์ขึ้นไปถ้าไม่ได้ป ร, รียนไม่รับและหลวงตาใชู้มไปไม่มีป ร, รียนอะไรกับเขาตั้งไม่มีที่อยู่ก็ตั้งไม่มีป ร, รียนและเกาขออยู่ผมตั้งใจมาแล้วขอกราบขอไว้ขอช่ว ด, ด้วยเออเลยให้อยู่ พออยู่แล้วประเดี๋ย ด, ดีที่สุดเลยดีกว่าพระมาหาปอเลียนเองเลยล่มละลายเลยแล้วหลลเหียบที่รับมาหาปอเลียนน่ยเลิกล่มตั้งแต่นั่นมาคนพระใช้พวิไปท ำ, ล า, ทำลายสถิติทำลายสถิติของการกระทําความดีเนี่ยดื้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่บาปอะ เราก็เคยดื้อหลงพอยเทียนอขออยู่นะก็ยางหน้าผมใจทุกวันเนี่ยอ้อนแอไปทำไมสู้สักหน่อยทำความเพียงมีสติยังก็ไม่ได้คิดถึงมากก็ไปหอบกระเป๋ากับบา้านมันต้องสู้สักหน่อยอย่าให้ความคิดมันสั่งเกินไปเปรียบเทียบเกินไปเย่าบ้างก็ดีไปอยู่ในเตียงเอา ภาพพัดติมามองหลังคาฝนตกก็สาดเข้ามาบ้างอ่าเดินจะ ก, ก, ก, ก, กล่าว่ากั้งล่มกลางล่มเดิน <c oughs> ไม่มีเาลาแบบนี้เคยกลางล่มเดินจงกรมมันนั่งไม่ได้ก็มงนอนชู่วไหมเวลางล่วงนอ น, นอนเลยนอนเลยมันเดินไม่ได้ฝนมันตกเอูอ้ สู้มโนซีลางโลงดลนกุยังภูิใจอยู่เราไม่ใช่บ้าคนมาเห็นอาจว่าเราเป็นบ้าอวดคนไม่ใช่ฝึกตนสนตนบางทีก็ตาต่อตามันง่วงไม่ง่วงฝืนลางโลงดลนกุหมอนคิดไม่คิดยอมคิดเป็นทุกคน คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงทุกอย่างสารพัดความคิดนะอย่ามาอวดกันเถอะควาทุกก็อย่ามาอวดกั น, ก น, าากนถ้าจะว่าเราสุดยอดของคนที่ทุกขี่ยากอะไรต่างตานะ่ยอย่ามาอวดกันนะรวยๆมาแล้วควาทุกข์อะไรตา่างๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญญามารอบแล้วเลยตายมาแล้ว <laughs> เคยเก็บมาแล้วเอยป่วยมาแล้วอยาสุดยอดยอดเลยทีเดียวนะ้เนี่ยทำมาฐานเนี่ยมันดีจริงจริงนะหมอคนดีจริงจริงยาก็ดีจริงๆกรรมฐานก็ดีจริงจริให้มีเสาค้ำมาไว้อย่าเดียวเดียวดย้เวลามาหลงมีเสาค้ำคือความรู้ เวลาวันทุกข์มีสมมเามสาข้ามคือความรู้เวลาัโกรธมีเสาข้าคือความรู้ทุกคนทำได้เยวังก็มีด้วยประการเะในีอาภาพพร้อมกัน